ากาตีธรรมก็มาหลายคนมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเกิดความเป็นธรรมต่อกายต่อจิตใจลราเริ่มต้นที่นี่กันแล้วพวกเราเพราะว่าในโลกนี้มี mm. พวกเรานแลอยู่ในโลกอยู่กับดินกับน้ำกับอากาศ mm. กับ เร่งแลลรอมต่างๆาว่าเราไม่ดีมันก็เพี้ยนไปทั้งหมดเลยแล้วนี่ก็กำลังกังบนกันเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ <c oughs> ที่เขาจะทำลายโลกก็ในโลกนี้นก็มี ถูกบทกฎหมายมีประเทศชาติมีสหประชาชาติคนของสหประชาชาติก็ถูกโจรโกวินาต์ฆ่าไปหลายคนแล้วถ้ า, าว่าฆ่าเจ้าหน้าที่สหประชาชาติได้ก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วชีวิตของคนเราเนะเราจะมาปฏิบัติธรรมกันเถอะ จะให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกสัตวจริงกะเริ่มต้นตั้งตัวตัวเราเรยกว่าปเิกะพุทธะนับหนึ่งจากตัวเรานับหนึ่งจากตัวเราก่อนการปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญสติในความรู้สึกตัวในความรู้สึกตัวเข้าไปปะไปปดกับสิ่งต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในกายในใจเราบางทีอาจจะเป็นความหลงมาคลองกายคลองใจเรานานมาแล้วก็อาจจะมีกิเลสตัณหาลคะความอุปท า, านยึดมั่นถือมัน่นที่มันคลองชีวิตเรามาแล้วเราก็มาแทรกซ้อนความรู้สึกตัวเข้าไปดูแล้วมันก็จะเป็นธรรม ความรู้สึกตัวอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เป็นธรรมแล้วความหลงอยู่ที่ไหนที่นั่นก็ไม่เป็นธรรมรสร้างกันสร้างให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกสรรพสิ่งเห็นมังสามาวดีเป็นลูกสะพ้ยของเศรษฐี เศรษฐีตั้งลงทานคนวันรับทานจากพ่อเศรษฐีแม่ เ, เศรษฐีวันละหลายคนวุ่นวายกันเคี่ยวเจ้าแล้วก็ลึกคึกโคมสามาวดีก็เอ๊ะทำอะไรให้เกิดความเป็นธรรมไม่ต้องไ้แย่งกันสามาวดีก็ล้อมลวกให้เข้าทางหนึ่งให้ออกทางหนึ่ง ให้คนมารับทานเป็นระเบียบพอวันทิดนางสามาวดีรอมร่วกเรากดกัมารับทานไม่เกี้ยวเจ้าไม่คึกโกงเงีมาแย่งกันพอเศรษฐีก็มาถามออวันนี้ไม่มีใครมารับทานหรือไม่แจ ก, กทานกันเลย แล้วก็บอกแจกเหมือนเดิมทำไมวันนี้เป็นผดปกติก็สร้างรั่วให้อะโขให้ออกทางนงึอ่ะเราเลยช่วยกันให้บันดีหลายคนหลายคิดหลายคนหลายทำความดีก็ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในสิ่งต่างๆในโลกนี้นอกจากเราจะทำตัวเราแล้ว ทำกายทำใจแล้วแล้วก็มีสิ่งอื่นที่เราจะต้องทำไปพร้อมๆกัน <c oughs> <c oughs> หลายๆอยา่างดูแลธรรมชาติ ร, รตักษาธรรมชาติเสียงแวดล้อมดูแลเพื่อนบ้านวัตถุสิ่งของอยา่าเปลี่ยนกันแล้วก็สร้างความสงบร่งเย็นชักชวนคนหน่นชักชวนคนนี้ ไปทำความดีไปปฏิบัติธรรมแม้เรายังไม่มีทำก็ชวนคนอื่นไปด้วยเหมือน <c oughs> อคนดังสมัยไปบวชกับพระพุทธเจ้าเนี่ยโนรุทธะอนุธธอนอบ <c oughs> บาลี <c oughs> อบบาลี <c oughs> ใครบ้างฮะไอคีลองก็จยจำไ่้ละ ยุคคนดังไปบทนะแต่ว่าอนุรุทธาอนุน่เป็นกษัตริย์ตะโกนกษัตริย์อุบาลีเนี่เป็นนต่ช่างกันบทกันบกลูกชายนายช่างกันบกคือนายช่างตัดผม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่กษัตริย์ แต่ว่าพวกก็อ้นนอนนลนอนนรุทธะเนี่ยพวอก็อะไรอีกล่ะฮะหลายคนอ่า้วเลยมาตกลงกันว่าพวกเร า, น า, นา เ, นเนี่ยมาด้วยกันห้าหกเจ็ดคนน่ะให้ให้อุบาลีบทก่อหมูเพื่อเราจะได้ลดมณทิทิของเรา เพราะว่าเราเป็นกษัตริย์เขาจะไปข่มพวกนี้ให้อุบาลีบวชก่อนเพื่อจะได้เป็นเทระพวกหนึ่งก็เป็นนวคเออเ ป, เป็นอะไรนะเป็นพันเตเป็นผู้น้อยเป็นผู้ใหญ่จะได้เขาลบอุบาลีให้เลยให้อบลีบวชก่อนคนดังไปบวชเพราะว่า นอกจากนั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระหลานกันหมดแต่อานนท์เนี่ยไม่ได้บรรลุธรรมแต่ก็ยังทำงานเยอะอานนท์เนี่ยช่วยคนเยอะแตที่ไหนขาดอานนท์ที่นั่นก็เหมือนกับขาดอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อไปแสดงธรรมนาที่ใดต้องถามอานนท์ก่อนพระเจ้าเทศน์ที่นั่นเรื่องอะไรอานนท์ อานนก็กล่าวขึ้นมาเป็นกดเสริมเป็นคนแส ด, แดงทำให้ที่นั่นบรรยากาศช่างสันเดียขาดอานน์ไม่ได้แล้วก็อุ่นอกปนใจเพราะอานนล์พระสงทงปวง <c oughs> <c oughs> จนถึงโน้นพระพรระุทธเจ้าปฏิทิ่ผ่านไปแล้วอานน์ยังไม่บรรลุธรรมเลยก็เกิดปัญหาขึ้นเรื่องสุภัทภปริพาชก พระเจ้าปรินิพานได้เกิดวันเกิดการแตกแยกชนะพระมหากรัสพาได้ยินอุปสุภัทภปริิพาชกผู้ตกมาระหว่างเดินทางมหากรัสพาเดินทางไปเฝ้าพระเจ้าให้ข่าวปรินิพานพอเห็นสุภัทธาเดินทางสวนทางมาพอถามถึงพระพุทธเจ้ามหากรัสพะ สัพพทาปริพาชกองนั่นพระปวดพระแก่สถานาที่มาหากระสปะเนี่เป็นพระป่าไปไม่ทันเขาว่ามันอยู่ไกลไปถามว่ากระตือกระลุ่นเปที่ไงนพระพุทธเจ้าพระศาสดาของเราไปยังไง่ไหกระตือระลุนที่จะอยากทราบข่าวแต่สัพพทปริพาชกพระแก่องนั่นถามเลยตายไปแล้ว พอเรียนว่าพระเจ้าตายไปแล้วเลียพันไปแล้วพวกพระทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของมหากรสจฟาก็เสียใจบางคนที่เป็นบุถุชนก็ร้อ ง, ห, อองห่มร้องไห้แสดงถึงความเสียดายความอะไรความคิดถึงความเสียดายมหากรเจฟาก็ปลอบใจพระสงฆ์ทรงป่วงแล้วจมบั ร, ริบริพาเจ้าก็นั่งอ บอกท่านจะไปลงให้ทําอหมมันดีแล้วพระพุทเจ้านิพพานมันก็ดีแล้วจะไม่มีใครมาว่ามาด่าแล้วอีกยจะทําอะไรก็ทําได้สบายมากระสปะได้ยินครับที่ขึ้นมาอ๋อโอ้โอนอนทพระพุทธเจ้าพระนิพพานได้เกิดวันก็เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นแล้วหรือพระสงฆ์เกิดความคิดอย่างนี้แล้วหรืออ๋อไปเฝ้าศพ ไปเศ้าไปเศร้าผัสศพของพระเจ้าก็ตอนนั้นก็ทราบว่าตามตำนานก็ทราบว่าเขาก็ลังจุดพระเพิงอย่างรีรก็ไม่ก็ไม่ลุกก็ไม่ไมหม้ร อ, อพระมากรจะปะตามตนานใช่ไหมพี่ขี่ตามตำนานไว้ย่างนั้นนหะแล้วก็ก็จำอะไรดอกกันนี่ยนะไม่ใช่ไปเห็นอะไรมนาะอันนี้พูดเรื่องของความจําไว้ใช่ธรรมะแต่ว่าให้เป็นส่วนประกอบ เล็กๆ น, น้อยๆไปเรื่องของผู้ปฏิบัติธรรมมาทำหน้าที่ช่วยกันตายป ร, รากฏว่าพระมหากจ ะ, ะไปไปกราบเอาบาปบาปบาปของพระเจ้ามาใส่หัวของตัวเองใส่ศรีรษะของตัวเองกร <c oughs> าบลงถ้าจึงถวายพระเพิงพระเพลิงสิงลุกขึ้นไม่สิบล า, ากรากศัก พอถลายประเพลิงจกพหากัจปะก็มาปราโลกเรื่องความคิดแต่แก่กของหมู่สงให้พระสงฆ์ทงปวงั ง, งทำสังขารนากันแล้วก็พระอนุนยังไม่ได้เป็นพระหรหันต์ปกหมู่สงทงปวงก็อ่าก็ไปบอกพระอนุ์ขาดอ น, นุ์ไม่ได้เพราะอ น, นุ์เป็นพ่อหูวสุดจําอะไรได้เยอะ เพื่อที่จะมายืนจัดต่อพระเจ้าสอนอะไรเรื่องอะไรที่ไหนทำอะไรแต่ต้องผพ้ที่จะทำสังขยนณาต้องเป็นพระอรหันต์เป็นพระขีณาสกพาะนรินยังไม่เป็นพระขีณาสกเลยแต่ว่าทางานมากลอนดูสิคนไม่เป็นบนรรลุธรรมสามารถทางานได้เยอะในที่สุดพระนรินก็ตั้งใจปฏิบัติรม อาจะทําสังฆนาอีกวันสองวันเนี่ยอานอ์นนอานอนก็เล่งความเพียรไม่คืนนั่นไม่หลับไม่นอนจนเห็นแสงเงินแสงทองขึ้นอ๋อวันนี้เราไม่ได้นอนทั้งคืนอขอเองสักหน่อยเพื่อจะทําความเพียรในกลางวันวันนี้วางอาจจะนั่ง ดูลมหายใจอาจารย์นั่งสร้างจังหวะมันพวกเราก็ได้เพราะการผูแขนเ ข, ข้าการเหยียดแขนดอกเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> อ่านอนก็อขอเอนหลังสักหน่อยหลับสักต่อยงีบสักต่อเราทำความเพียรมาทั้งคืนแล้วเพราะจะต้องมีกำลังสู้อีกกลางวันในวันนี้พอล้มลงหัวจะไม่ถึงหมอนบรรลูทําเลยนะไหนดีนะ อก็เก๋วเลยไอ้วันนั้นหู่สงฆ์ทั้งปวงก็มากราบถามอะไรแต่ไงไอ้นนอนืมัออก็พอรวอมอาจจะพูดมันตัปพฤชาไปพอสิ้นแล้วจบแล้วประมวจันอยู่จบแล้วพอเข้าประชุมสังฆทนากันผู้ที่ยังไม่บรรลุ ธ, ธรรม ก็มีโอกาสที่จะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกสปปรรพสิ่งได้เป็นวันนี้พวกเราจะไปไประชุมกัน <c oughs> เรื่องล่มน้ำลำระทาวที่วัดโูเขาทองบ้านท่ามะปลายหวานไปช่วยป่าช่วยดินช่วยน้ำช่วยอากาศเพื่อให้พวกเราได้อยู่เย็นเป็นสุข <c oughs> จะรอให้คนบรรลุธรรมทั้งหมดกว่า ตากว่าดินกว่าน้ำจะเกิดความเป็นธรรมมันก็ไม่ไหวทีแล้วต้องช่วยกันใครมีอะไรที่เป็นประโยชน์เพื่อคุณก็ช่วยกันทำอย่อยู่เฉยๆเถอพวกเราอยาอยู่นิ่งโดยไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ประโยชน์เ่อจนประโยชน์จอดต่อท่านประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อศาสนาประโยชน์ต่อญาต ญาตทัตตาจิริยาประโยชน์ต่อญาติเพราเราก็เป็นญาติกันนะโลตัตตาจิริยาประโยชน์ต่อโลกพุทธทิพุทธทัตตาจิริยาประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาให้มีความสงบร่มเย็นแก่ผู้เจ่คนที่มาเห็นเป็นที่พึ่งพาใส่แสดงควาเป็นมิมตรไมตรี ต่อกันไล่กันอย่าทะเลาะวิวาทอย่าอิจฉาปฏิบาทกันแม้เรายังไม่บรรลุธรรมก็ทําได้ไปพร้อมๆกันในความดีให้เกิดความเป็นธรรมใช่ชีวิตเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางกายทางวาจาทางจาิตจะทําะไรให้มันการเดือดร้อนอะไรแล้วก็มีวัดปฏิบตัติมีแบบฉบับมีศีลมีอ่ทานมีภาวนาทําไปพร้อมๆกัน อยมอบให้ใครผู้ใดผู้นึองใครจะพอที่ทำดีตรงไหนเพื่อคนทัานทำก็ทำไปอย่าทิ้งขยะบนถนนหนทางเห็นขวเคล็ดน้ ำ, ำตามถนนเห็นทางก็จับออกเก็บออกอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเห็นของเพื่อนตกลืมไ ป, ปเก็บให้เพื่อนอย่าถือเป็นของเก็บได้โลภราบละล่วงละลาบเอาของคนอื่นมาเป็นของตนมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะ การปฏิบัติธรรมมันจึงเหมาะที่จะได้บรรลุธรรมมันต้องเริ่มไปด้วยมีน้ำใจมีความรักเมตตากรุณามีสติมีปัญญามีศีลเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้แก่ตัวเองแล้วอยู่จะมาปฏิบัติธรรมทำจเจริญสติจเจริญสติบางทีจิตใจยังไม่ดียังไม่ทําอะไรเลยไม่มีนิสัยไม่มีปัจจัย มันก็ยากเหมือนกันต้องเริ่มอะไรที่ไปพร้อมๆกันม่ใจเราเลยมาปฏิบัติธรรมเลยเจริญสติก็ต้องมีอะไรที่มันสิ่งไวดลอมมันดีดพยายามทำกายทำใจถูกคุ้มหรอกขอบวอนยมไม่มนนุน อ, อย่าเป็นคนจริงจังจนหน้าดำคำเครียดทำซื้อซื้อหลวงปู่เทียนบอกว่าทำซื้อๆือ บางทท่านหลวบอกทำลิศลิศทำอินอินมั่งเลยก็ขาสอนงเลยนะอินอินทําอินอินทำลิศลิศเล่นเล่นคำว่าทําเล่นเล่นเนี่ยมันมันลึกซึ้งนะทําบริสุทธิ์ไม่ค่อยไม่ได้อยากโลกยากเห็นจะเอากิงเอาจังเพื่อที่จะได้บรรลุธรรมเ่อจะได้ไปให้เป็นคนดีคนเด่นเป็นคนมี อนนับหน้าถือตามีพวกพ้องบริวารเอาผิดแล้วไปคิดางา น, นผิดแล้วทำซื่อไม่เสติสมาชัญญารู้จึกตัวทั่วพร้อมไปนั่นก็เล่นมันฟรี ม, มันทำเปล่าไม่ต้องการอะไรที่เป็นตอบแทนแต่เป็นการให้ก็ให้ฟรีให้ชีวิตฟรีๆปฏิบัติธรรมฟรีๆไม่ต้องการอะไร รู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อรู้ด้วยความบริสุทธิ์มันฟรีมันมีสองอย่างนะฟรีแบบไม่เป็นกรรมถ้าโกรธฟรีฟรีไม่เอาหัวไม่โกรธกลับขึ้นมานะก็ฟรีแบบป่าเถื่อนว่างแบบเถื่อนว่างว่างแบบมิจฉาทิฏฐิหลงก็ให้มันหลงไปฟรีฟรี อันฟีคนละอย่าอันนี้ให้รู้สึกซื่ อ, อไปมันหลงก็กลับมาแล้วก็ทําความหลงให้เป็นความรู้แล้วเราก็ไม่ไปเอาความรู้ที่เป็นว่าเราชอบไปใช่รู้ซื่อซื้ อ, อ, อีกเหมือนกันแหละมันหลงก็อย่าไปโกรธความหลงมันทุกข์ก็อย่าไปโกรธความทุกข์ไม่พอใจในความทุกข์เครียดไปเลย ทำไม่ได้ทําไม่ได้คนนั้นเขาทาได้เอาไปอีกแบบนั่นแหละเอาปไปเอาอะไรอริยาทําม่ได้ทำไม่ได้เครียดทุกข์เอาก็ไปอีกแล้วมันไม่มันไม่ซื่อซื้อมันเอาอะไรจะเอาถูกเกลียดความผิดอยากได้สุขเกลียดความทุกข์มันไม่มีทั้งสองอย่างความสุขก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีดอกมันมีแต่ตัวรู้ซื่อซื่อนี้ถูกต้องหรล นี่คือการปฏิบัติธรรมสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะการปฏิบัติธรรมต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันชอบหรือว่าอยู่โดยชอบบางทีแม้แต่เราอยู่สุกโตหรือนั่งอยู่ศาลาหอไต้ด้วยกันฟังทำอยู่ขณะ น, นี้มันก็อาจจะไปอยู่โดยชอบก็ได้มันทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อาจจะเออหลวงพ่อพูดดีนะเออหลวงพ่อพูดไม่ดีนะเอาคนนั่นทำอย่างนั้นนะวันนี้ทําอย่างนี้นะเอาเราไป ไปกระตุกกระตักอยู่ที่ไหนก็มไม่รู้ฟังซื่อซื้อใครพูดอะไร investor, ก็ฟังซื่อซื้อเขาพูดดีก็ฟังซื่อซื้อเขาพูดไม่ดีก็ฟังซื่อซื้ออย่าไปเอาความชอบอย่าไปเอาความไม่ชอบอย่าไปเอาผิดอย่าไปเอาถูกมันเป็นโลกมันยังไม่ออกจากโลกเลยยังไม่ได้ดูโลกเลยถ้าเป็นผู้ผิดถ้าเป็นผู้ถูกถ้าเป็นผู้ชอบถ้าเป็นผู้ไม่ชอบ มันยังอยู่ในโลกมันยังไม่มาดูโลกเลยคนที่อยู่ในโลกมันจะเห็นโลกได้ไงเหมือนกับเชื่อดินใช่เดือนอยู่ในดินก็ไม่เห็นดินนะออกมาดูมาดูาดเห็นนะมันเกิดเลยก็เห็นเห็นโลกเห็นไปเห็นมาก็เห็นแง่เราดูกายเลยเห็นกายเคลื่อนไหวไม่ใช่เอาตาไปดู ภาวาที่เห็นมันมันเป็นจุดหนึ่งที่ที่มันค่อยๆว่ามันสาเร็จภาวะที่เห็นเนี่ยมันลงตัวชีวิตที่ลงตัวมันรวมลงอยู่ที่ภาวะการเห็นเห็นอะไรก็ได้เพราว่าเห็นเนี่ยมันอันเดียวถ้าเห็นเห็นสุข ไปเอาสุขไม่ใช่เห็นธรรมดาเห็นเพื่อที่จะเป็นเห็นเพื่อให้เป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นหลวงพ่อพูดคำนี้ถ้าเห็นแล้วมันก็เข้าไปเป็นมันก็ไม่ถูกเห็นเฉยๆเห็นแล้วไม่เป็นเห็นแล้วก็เห็นให้ความเห็นเท่านั้นให้ความเห็นความเห็นมันเป็นธรรมคำว่าเห็นแล้ว มันมีอะไรอยู่ในนั้นหมดมันมีทั้งความหลุดพ้นมีทั้งพรหมจรรย์มีทั้งวิมุตติมีทั้งมรรคมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถ้าเป็นภาวะที่เห็นมันก็ต้องเห็นนั้นน้นนันนี่นอยู่นะะั่นล่ะในกายในใจของเรานอกกายนอกใจเราก็มีเยอะแยะไปหมดเลยพอจะรู้แล้วกลายเป็นภาวะที่เห็นเห็นแล้วไม่เป็นรู้ดู อย่าไปอยู่แล้วก็คำว่าดูาก็อย่าไปอยู่ดูแล้วก็เห็นดูเลยดูเลยก็ได้เห็นมันร้อนมันสุขปอยู่กับความสุขป็อยู่กับความทุกข์ปอยู่กับความร้อนปอยู่กับความหนาวปอยู่กับความปวดความเมื่อยเขาแสดงให้เราแล้วก็เห็นเราก็ดูดูแล้วไม่ต้องเข้าไปอยู่ดู เพราว่าที่ดูเป็นตัวมรึกเพราะว่าที่ดูที่เห็นเป็นตัวมรึกปฏิบัติแล้วนั่นแหะตัวปฏิบัติถ้าดูก็เห็นไม่เข้าไปอยู่ถ้าอยู่ไม่ไปแล้วหยุดแล้วมันเดินทางมรึกคือเดินไปเรื่อยๆคือเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นดูแล้วไม่เข้าไปอยู่มันแสดงให้เราเห็นอะไรต่างๆเห็นความโปรดความมื่วยเห็นกายเห็นความคิด มันเสนอหน้ามาให้เราเห็นอยู่เสมอตัวปฏิบัติธรรมเรกแค่ราก็ไปใช่กับอะไรก็ได้ทํางานทําการเราไม่หลักแล้วสร้างความรู้สึกตัวแต่ว่าต้องให้หลักให้ได้หลักเสียก่อนนะการปฏิบัติธรรมเมื่อเราได้สูตรคูณสูตรคณิตศาสตร์แล้วก็เอาไปเฉลยเอาเป็นเป็นตัวเอกเป็นตัวตั้ง ในเวลาตั้งไว้ทันทีเลยสูตรคูณสูตรแล้วพ่อก็ได้เรียนเท่านี้เองแต่ว่าก็ทำคณิตศาสตร์เพราะมันเป็นตัวหลักเอาไปบวกเอาไปคูณเอาไปหารเอาไปลบได้ให้ได้ให้ได้ผลลัพธ์ออกมาให้เกิดผลลัพธ์ออกมาที่ถูกต้อง ชีวิตของเราควรที่จะเป็นผลลัพธ์ที่มันถูกตอ้องมั น, ฉ น, นเฉลยความโกรธหรือว่าเป็นการบ้านวาความทุกข์ถือว่าเป็นการบ้านความหลงถือว่าเป็นการบ้านมันก็เลยพลาญพลั ง, ลงเล่าฉเฉลยได้ความทุกข์ไม่เป็นการบ้างความโกรธไม่เป็นการบ้านความหลงไม่เป็นการบ้านสํำลับความชังไม่เป็นการบ้านมั น, ฉ น, น, ฉ น, นเลนฉลยไปแล้วมันมีค่ในศาสตร์ในชีวิต พความรู้สึกตัวนะมันทำให้เกิดความเป็นธรรมทาให้เกิดความเป็นธรรมในกจะเห็นการเห็นนี่เป็นผลดีเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์มันมาบอกเราในตัวเรานี่มันคืออะไรแต่ถ้าคนไม่ได้สัมผัสกับหลักฐานมันก็ไม่มีหลักนะมันก็ไป เป็นคนไม่มีความรู้จักตัวอะไรมาก็เอาหมดความหลงก็เอาความหลงความโกรธความรักความชังเอาความรักความชังเอากันทั้งแม่อกุศลเบียดเบียนอิจฉาพยาบาทเป็นทุกข์ก็ยังเอานะหน้าบูดหนะ้าเบิ่งอยู่ันหลายวันแล้วยังเอาพอเสดงจอกมึงไม่รู้จะกงโกรธให้มึงเลยอเห็นเธอะไรก็น้าบูดหน้าเบิง่งมันยังเอา เพราะมันไม่มีความรู้สึกตัวมันไม่มีหลักมันไม่มีหลักเมื่อไม่มีหลักก็ทะเลทรายแต่ถ้าเรามาสร้างสติมันมีหลักมันไม่มันไม่ไปเป็นอื่นเพราะความรู้สึกตัวมันมันเป็นธรรมอันอื่นไม่เป็นธรรมหรอความโกรธไม่เป็นธรรมความหลงไม่เป็นธรรมความรู้สึกตัวมันเป็นธรรม มันก็ลู่ไปเรื่อยๆก็เฉลยไปเรื่อยๆเหมือนกับพระพุทธเจ้าบอกสอนไว้กายก็สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาะเวทนาก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตนตนเราเขาจิตก็เป็นสักว์วิจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตวตนเราเขามันไม่ใช่คําพูดมันเป็นความรู้สึกลึกๆมันเป็นญาณอยู่ในหัวใจเรามันเป็นญาณอยู่ในชีวิตเรามันเฉลยไปทํานองนั้น เห็นกายนั่นคาว่าเห็นกายมันก็ไปทั้งหมดแล้วล่ะเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นทำเห็นลูกเห็นน้ำเห็นลูกทุกเห็นน้ำทุกเห็นทุกของลูกเห็นทุกของน้ำอาอถ้าได้เห็นแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงแตว่าที่เห็นนั่นมันก็ต้องมีการกระทํายู่ในตัวเซต มาสักคนหมอตรวจโรคคนไข้เห็นสมุิฐานของโรคออกคนขขยเขาเ้าไปแก้ไขโรคให้โรคหายโดยวิธีใช่ตามอาการต่างๆตัวปัญญาตัวพุท ธ, ธะตัวไีนเป็นคู่กับไปกำจัดความทุกข์หลวงพุทธ โมทุกขัสสะคาตายจะวิขาดตาจะให้ตัดเสม็พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกําจัดทุกอ่ะก็เป็นนาทีนะั่นธรรโมทุกขัสสะคาตายจะวิขาดตาจะให้ตัดเสม็พระธรรมเป็นเครื่องกาํกๆๆก า, าจัดทุกขสังโฆทุกขัสสะคาตาจะวิขาดตาจะให้ตัดเสม็ปัจสงเป็นเครื่องกําจัดทุกอ่ะมันก็เป็นธํานองนี่มาเกิดจากนั้น ก็เป็นสิ่งคู่กันไปทำนองนั้นแต่ถ้าเราไม่ไม่ทำถ้าเราไม่ไม่ทำมัก็ไม่ไ ม, ม่อะไรพระุงพหลังบ้าหอบฟางพาลาหาเววันจากขันธถาเอ็พนพาลาพระลงพรหลังพา ล, ลานิเขปนังสุขขังพระลงพรหลัง พ, งพระอริเจ้าสลัดทิ่งของหนักรองเสียแล้ว ไม่หยิบเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกอมันไม่พลก็หลังเพราะพราว่าที่ดูที่เห็นมันเห็นเห็นทุกโลกทุกน้าทุกพอเห็นทุกก็กงจะทุกไปในตัวลูกโลกนา้าโลกบางอย่างก็กาหนดรูปไม่ออกมาเป็นทุกรูปทนาน้ทำทามันทําดีทําชั่วทําดี มันก็สร้างสัตว์ทำชั่วมันก็ละความชั่วไปในตัวเสร็จภาวะที่เห็นเอาก็ไปเลยๆยลกสมมุติน้มสมมุติสมมุติบัญญัติวัตถุอาการปรัมัติอาการที่ทำให้เกิดวัตถุวัตถุทำห้เกิดอาการตาก็เป็นวัตถุเห็นลกูก ลูกเป็นวัตถุเป็นอาการระหว่างวัตถุกับวัตถุเหมือนเอาคอนไปตีค้องค้องกับคางเฮินๆๆนนนอย่างที่เราได้ยินตอนที่เรานอนกำลังหลับอยู่ก็มีโอ้พอนอนเลยมันหลับไปเสียงค้องปูก้ยดีใจใช่ไหมอโอ้ยี่เกียดที่ข้านหรือว่ า, างเลยโอ้ขอคนพูกตีค้องเอ้จะได้ช่วยก็อยขอคณหรือว่า โอ้ยไม่อยากได้ยินเสียงห้องออกภาพปิดหูที่เกียดลุกว่าไปอีกแบบไหนนะหะเข่าคอนเป็นวัฏฏุคองก็เป็นวัฏฏุไปสัมผัส ก, ก็ดังออกมาตากับลูกก็เป็นวัฏฏุพอสัมผัสกนดังออกมาคลางออกไปเรียกว่าเกตสิกออกไปก่อนอ้าสมมุติไปต่อหระบันจัดชอบไม่โชะ เสียงข้องเพื่อนเราตีปุกบางคนก็ไม่ชอบอ๋อ ม, มันก็ไปสมมติปัญญาตไปปรามาัดสัจจะปรมาัดก็เข้าไปเกี่ยวข้องทำให้ความไม่ชอบทำให้ความชอบไม่เป็นอะไรเป็นการลู่เฉยๆความชอบความไม่ค่อยจริงความไม่ชอบไม่จริงต้องปกติธรรมดาลงสู่ปรมาัดนะ ความโกรธความไม่โกรธความโกรธเป็นสมมุติความทุกข์เป็นสมมุติความไม่ทุกข์เป็นปรมัตา์ความโกรธเป็นสมมุติอย่าไปหลงมันเป็นสมมุติเฉยๆหรออะไรให้มันเป็นใหญ่ความไม่ทุกข์ความไม่โกรธเป็นปรมาจารย์นะ <c oughs> ต้องเข้าถึง <c oughs> เข้าถึงปรมาจารย์อยู่ในโลกแห่งสมมุติ โลกแข็งสมมุติหนูโถดินพ่อขางหมูนะน้อยเปแย้วพลงพลังไปหนักแะไววนหนักในไอเห็นโลกโตกตามโทกโลกโลกตามโลกลู ก, ลกสมมตุตินามสมมตุติเห็นบัญญัติเห็นวัตถุเห็นอาการเบาวิ้วอะไรวะเนี่ยเขาเดนประตูธรรมอะไรวะเบา หม่พลงพลังแล้วเป็นการละหัวตาเบากายผิดตาละหัตาเบ า, ก, า, า, เบาเกิดนะมาจะว่าหาบหาบหน่อไ ม, มอ้เคยหาบหน่อไ ม, ม้แต่ก่อนนะหาบหน่อไ ม, ม้คนละบานทาดคนไปบ้านน้องแกเป็นชเช้าก็มาหาบแตก่ก็มาเก็บหน่อไม้ฤดูนี่แหละเอาใช้กันแข่งกันคนไหนได้ร้อยสองรอยหนอ่อ ไปอวดกันอาบโอ้อาว่ายกไม่ขึ้นตั้งแต่อยู่หลังเขานี่แหละต้องนั่งลงนั่งรองก็เอาไม่คานใส่บา่าลุกขึ้นเซซักเซใส่สสไปอาบรลงเขาล้มลุกคุกคานไปไต่คันาไม่มีทางลูกลังมันตัวนี้ฝนตกลื่นล้มลงปันนาลุกล่มลุกคุกคานไปหนักไปทั้งยี่สิบกิโล จากโพเขาไปบ้านน้องแกพอจะเข้าบ้านมีคนมารับหบับพอเขาหาับออกเกบา่าเดินไม่เป็นเลยไม่เพี่ยนมันเบาโอ้ยบเบาเธอมันหนักไปตั้งหลายชั่วโมงพอเขามาหาบน้อไม่ออกเกือบา่าแล้วเดินเซซักเซโซไปเลยเอยมันเบากายแล้วหัวตาเบากายเป็นอย่างนั้นนามปฏิบัติธรรมเลยเบานะ อยากให้คนอื่นมาเห็นธรรมโลดธรรมอยไปอยู่ในโลกสมมุติอยาไปอยู่ในโลกบัญญัติมาอยู่ในโลกปรมัตสัจจ์ความไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรอะไรจะได้บ่ในเพียอนอ่ ะ, <c oughs> อะไม่เป็นอะไรกับอะไร อ, ะอยู่กับโลกอยู่กับร้านนะเกี่ยวกับโลกไปไม่อะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้วก็ ช่วยก็อย่างนี้แหละแคน้อยเราก็ไม่ทํำไ้อันอื่นเดือดร้อนพระตัวเราเดยวเราอยู่ป่าก็ไม่ให้ป่าเดือดร้อนเราอยู่ดินก็ไม่ให้ดินเดือดร้อนบางทีเราก็ช่วยไม่ให้เขาเดือดร้อนเห็นต้นไม้จริงไม้มันหักกลงมาทับต้นไม้เล็กๆเราก็ไปยกเขาออกเกี่ยวกันแล้วก็ช่วยเขาตรงๆ ท, ที่เราไม่ทำํำเราก็ทําอยู่พ อ, อ, อ, อเห็นอะไรที่มันไม่เป็นธรรมต่อต้นไม้ต่อแผ่นดินอ อันนี้เราก็ช่วยเขาไม่ทิ่งขยะลงในน้ําลงในดินนี่เมาเกิดไม่ช่วยเราก็สร้างด้วยอสร้างด้วยโอกต้นไม้ทเทนนที่นี่ด้วยปรับปรุงแล้วนนท์นล้นี้ไม่ดีให้มันดีด้วย อ, อันนี้แล้วเราก็ทําไปช่วยกันไปช่วยตัวเราประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน อ่า ะ, ะไรก็บอกก็ช่วยกันดึงกันไปดึงกันมาไปชวนกันไปชวนกันมาอวันนี้วันศิลป์วันพระเราไปวัดไปว่ากันเถ อ, อะแต่นี่คนไม่ค่อยเข้าวัดไอหมาไอาหมาในทานชาดกหลวงพอ่อสิโลฟังน่าเร า, เาให้ฟังฟังบอะเดี๋ยวทำนี่หมาไม่รู้ออน ไม่โลกตัวหนึ่งมันก็วันพระมันเลยบอกว่าไม่มีคนเข้าวัดนนวันนี้นะไปโลกเราไปวัดกันเถอะหมาไม่ลูก่อนเลยเราไอ้ป้าไรเท่าไ่มันวะฮะอะไรยินงได้ไปอได้ยินกับบกของหลวงพ่อท่านต่อมันได้มันได้เราอยู่ได้บอกอย่ ไม่มาไม่ลูกอ่อนตัวนึงที่หลวงพ่อว่าถ้าไม่เข้าวัดเข้าว่ามันอายหมาเนี่มันบ่ามันเบาเล็ดๆเนี่ยบ้านปีนตันท่านชาดกฟังวะวันพระวันสินหมาไม่หลูกอ่อนตัวหนึ่งชวนโลกวะโลกเราไปวัดกันเถอะไม่ไหใครเข้าวัดแล้วทุกวันนี้เราไปเข้าร้องหนัง้องละครหมดแล้วท่านหลอกเรา ไอะไรที่แม่แต่ว่ามาวัดนั้นมันมีปาชาผีดิบโยกอนศึกษาวัดกอนศึกษากติภะ <c oughs> ปราชาผีดิบเนี่ยเขาเอาศพประเทศดินเดียนะเขามีปาชาผีดิบเอาไปเที่งให้แล่นกินนะ <c oughs> ให้หมาป่าหมาป่าไม่เลยกินศากิกินศพเนานะ พอมาเดินเข้ามาเห็นศพวางขึ้นอืดเหม็นแต่ว่าหมามันหอมไนะ ด, ด้เนาะโนดก็ไปไปเห็นมันก็ดมพอลกหมาหเลยบอกแม่แม่แมให้ให้หนูกินศพนี่ก่อนจึงค่อยไปกันแม่หมาเลกโอ๊ยกินไม่ได้หรอกลูกกินไม่ได้ขอให้ลูกไปกินมันเถอะแม่ลูกอยากกินศพนี่เหลือเกินลูกจะ ก, กินตรงไหนล่ะ มาอะมาน้อยพอลูกอย่กินตามันอุ้ยตาของคนมาเลยลูกมันสับยศหมดเท็จมันมงแต่ของลับลับลี่ลี่ไม่มองถึงสิ่งถึงธรรมหรอกลูกตาของคนนะ่ะมันแสสายหาสิ่งที่ย่อให้เกิดกรรมคุณเพื่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดจิเลตหากับข้อตามันแหละอย่าไปกิน แต่ลูกไปกิตตนตามันละเจ็ดเสียตะกูลนะลูกคนนะหมามันเหบาเลยแม่เพี้ยนฉ <c oughs> <c oughs> าดกน่ะเ <c oughs> ออลูกหมาก็จะนั่งมันไล่ขนาดนั่นเลยแม่ไล่สี่ลูกอ้าวแล้วไงลูกกินหูมัเอ้าวอีกแล้วหูมันเลยมันดีมืนอะไรมันฟังแต่เสียงไปศบสอฟอ ฟ, อฟังเสียงเพลงดนตีแสบแก้วหู ตู้ลำพงใหญ่ๆมันขนใส่รถไปเปิดดังลั่นก็พ้องหูนั่นหรือฟังแล้วมันก็ยั่วยวนเกิดกระโดดโลดเต้นเกิดกามมาละค่ะแล้วลูกกินจะเสียศักดิ์ศรีของเรานะลูกลูกมาก็าเชังเออมันไล่กันนี่เลยแม่อ่านนั่นแหละได้งั้นให้ลูกกินจะหมกันทีแม่จะหมกนั่นน่หรือว่ากันไบอีกอ่ะปนละน้อยทั้งจะหมก สซดินอะไรกินเหล้ากินยาบ้ายาหมาอะไรกินหรอกติดเหล้ากินบุหรี่ก็ติดบุหรี่ได้เป็นบ่หระอะไรก็ตินน่ะตินเก่าตินเนอร์ตินเนี้ยติดบุ๊ไปดูสิไปดูหัวลมผงสถานีรถไฟหอหลมผงมันมีห้องส่วมอยู่เดินไปตรงนั้นอ่ะเหม็นกินขี้กินเยี่ยวแต่ว่าพวกติด ทินเนอร์เนี่ยติดกาวติดทินเนอร์นมื่อจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นแหละไหมเพียนอนเขาบอกหลวงพ่อเนี่ยพวกเนี่ยมันติดกลิ่นทินเนอร์เมื่อว่าได้เมื่อเมื่อไม่ได้กลิ่นทินเนอร์มันจะมานั่งอยู่แถวๆห้องน้ำห้องส้วมมันชอบกลิ่นชุนๆอยู่นั่นเพราะนจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะนะหมาก็เลยด่าโล่โอ้ยกลิ่นของโลกอะ กินทุกพนเทียนมันไม่ค่อยชอบนะมันชอบกินเล้ากินโบรีกินกนินเนื้อกินกาวกินอะไรไปฮแล้วก็เมาม่ข้าลันฟันแทงกันเพราะกินนี่ลูกลักขโมยกันโอ้โลูกหมาก็เฉยแล้วก็ให้ลูกกินลทธิ์นนิใช่ไหมฤทธินก็เหลือตบหดกัดแก ว, ว, ว, ว่งโปโห ด, ปดอดทิตด่าพ่อด่าแม่ด่าโูอาจาร ทะเลกันเต็มวันเต็มบ้า น, านก็พอลิ้นนะหรือตบตะแบงไปได้ทุกทิศทุกทางนนหน่นอเพื่นบบอออยนันอ๋ออ๋อโบลองฟังว่าเลยพเอนาานชาดกาอันั้นให้ลูกกินกายมันสิกินไหนมันลูกกินมือมันมือนั่นแหละมันฆ่าพ่อฆ่าแม่มันลักขโมยผิดศีลผิดธรรมก็เพราะกายเพราะมือนั่นหลยขอเลยถ้างั้นลูก แค่กินหัวใจมันเฉหัวใจมันละเหลือนั่นละร้ายเละเต็มตัวก็นั่นแหละใจนั่นแหละมันไม่มีอะไรหรอกมันคิดโรหกรกมดเท็ดปิดช้อพอยวัดทให้เกิดเดือดร้อนทุกวันก็ไม่พอใจนั่นเลยหมาน้อยแบบโอ้โหไอชาติคนไม่มีอะไรดีเลยเด็กแ <laughs> ล้วเราจะไปเหนืน่อยไปหา เขาไปวัดเธอแล้ ว, ลวไปพาแม่แม่ก็พาลูกมาเอาไปในฐานชาดกเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศแล้วช่นนี้ อ, อาวันนี้เราก็สมาทานศีลกัน